ยุคทองยุคธรรมยิ่งใกล้จะสิ้นพุทธศตวรรษที่25ชาวพุทธยิ่งรู้สึกว่ามีโชคลาบระดังกันมาเรื่อยประเทศที่ประชาชนส่วนมากเป็นชาวพุทธซึ่งเคยสูญเสียเอกราชไปนานแล้วก็กลับได้เอกราชทั่วถึงกันที่ทะเลาะ ก, กันเองภายในประเทศมีเรื่องระหองระแหงแรมปีก็หันหน้าเข้าหากันก็เป็นที่น่าสรนเสริญยิ่งนี่โชคลาบของชาวพุธ ท, ทั่วไป ในบรรดาประเทศพุทธศาสนิกทั่วโลกรู้สึกว่าชาพุทธที่เป็นคนไทยและเมืองไทยมีโชคดีกว่าเพื่อนเห็นจะเป็นที่ประเทศไทยได้เป็นาหานะนำพระพุทธศาสนาตลอดรอดฝั่งมาได้โดยไม่เคยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาเลยไม่ว่าโชคชะตาของบ้านเมืองจะดีร้ายประการใดท่านคงอยากจะถามว่าเขามีโชคอะไรบ้างก็จะไม่โชคอย่างไร จูจูพระอิฐพระปูนก็สำเร็จเป็นพระทองคำขึ้นมาอย่างไม่มีใครคาดฝันแล้วก็ไม่ใช่องค์เดียวสิด้วยพอพระวัดไตรมิตรสำเร็จหลวงพ่อวัดมหันก็เอาบ้างและเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวว่าหลวงพ่อปูนวัดหงฝั่งทนสำเร็จขึ้นอีกอง์แล้วแต่และองค่าควรเมืองทั้งนั้นโชคดีอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ เมื่อก่อนใครอยากเห็นทองคำปริมาณมากๆากต้องไปเรียบเคียงดูแถวเยาวราชเทียนกวนเทียนเต็มเป็นตู้ๆแต่เดี๋ยวนี้ถ้าอยากจะเห็นทองคำามา ก, มา ก, มากเป็นขวัญตาต้องไปดูที่วัดตามร้านขายทองนั้นเป็นของเล็กน้อยไปเสียแล้วเป็นเพียงตู้ทองเท่านั้นเองแต่ทองในวัดเกินขนาดตู้ไปไหนๆถึงกับสร้างตึกใสไว้ทั้งหลังทีเดียว ดีใจกับเรื่องพระทองพอจะค่อยทุเลาหน่อยจูจ่ๆก็มีข่าวพแพร่ออกมาจากราชสำนักว่าล้นเกล้าจะทรงผนวดรในบวรพระพุทธศาสนาข่าวนี้เปรียบประหนึ่งสายฝนที่โปรยลงมาจากฟากฟ้าสวดสงดวงใจของชาวพุทธให้ชุ่มฉ่ำเบิกบานยังบอกไม่ถูกก็จริงควรบวชปีหนึ่งปีหนึ่งมีมากมายแต่ก็การผนวตของล้นเกล้า องพระประมุขของชาติมีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางกว่าสำหรับเราผู้เป็นทั้งประสกนิกรเป็นทั้งพุทธศาสนิกชนด้วยแล้วก็จู่ๆอีกเหมือนกันโชคมหาสารก็หล่นตูมลงมากลางวงชาวพุทธโดยไม่คิดไว้ล่วงหน้าเช่นเคยนั่นคือข่าวจากทางรัฐบาลประกาศยกวันพระขึ้นเป็นวันหยุดงาน เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้บำเพ็ญกิจทางศาสนาดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วการที่รัฐบาลให้วันพระเป็นวันหยุดนี้มีแง่คิดอยู่หลายอย่างทั้งแง่เบาใจทั้งแง่หนักใจเรียกว่ามีหลายแง่ด้วยกันในแง่เบาใจนั้นคือมองถึงผลที่จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตัวบุคคลทั้งแก่ประเทศชาติและไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลใดชุดใดชุดหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการวางรากฐานทางคำนดบประเพณีวัฒนธรรมและศิลธรรมตลอดจนนิสัยใจคอของอนุชนรุ่นหลังอีกด้วยจะเป็นการทำให้คนไทยมีหลักใจเป็นไทยแท้พุทธแท้ไม่ใช่คว้าโน่นคว้านี่เอานิสัยฝรั่งมังค่ามารกบ้านรกเมืองจนเกินไปหน้าเข้าน้ำเหล้าน้ำมนก็มีค่าเท่ากันมีข่าแวแ่วมาเข้าหูว่า ในงานฉลองพัดหรือฉลองยศของพระได้มีการเชิญชวนดื่มเหล้าอวยพรเข้าแล้วด้วยและพื้นพรมที่พุทธศาสนิกลาดไว้สำหรับรองกราบในพระอุโบสถก็มีผู้ตีราคาเท่ากับพรมเช็ดเท้าดูน่าอนาจใจของชาวพุทธยิ่งนะักการที่ทางราชาการประกาศยกวันพระเป็นวันหยุดงานครั้งนี้เท่ากับเป็นทำนบหลวงก้ณฑไหยนธรรม ที่จะไหลบ่าเข้ามาสู่เมืองไทยอันเป็นเมืองพระสืบต่อไปจริงการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามย่อมกระทบกระเทือนกับผลประโยชน์ของประชาชนบ้างไม่มากก็น้อยแต่ข้าพเจ้าก็ยังมั่นใจว่าคุณธรรมและสติปัญญาเห็นการไกลซึ่งชาวพุทธเราได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่บรรพบรุษแล้วจะสามารถจัดระบบงานและผลประโยชน์ให้ลงสู่ร่องรอย อันเรียบร้อยเนี่ยไม่ช้านักถึงแม้ว่าการจัดระบบชีวิตดังกล่าวจะต้องเกี่ยวพันถึงบุคคลหลายฝักหลายฝ่ายก็ตามคงจะเรียบร้อยลงได้โดยหลักเมตตาธรรมและสามัคคีของทุกฝ่ายแง่ที่รู้สึกหนักใจอยู่บ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายเราพุทธศาสนิกชนเมื่อได้รับวันพระมาเป็นวันหยุดแล้วจะใช้วันพระไปทาอะไรน่าจะคิด เพราะเป็นการแน่หรือเกินที่ถ้าหากว่าวันพระได้ถูกนำไปใช้ในทางสร้างบาปกรรมต่างๆคนต่างชาติต่างศาสนาจะพากันเหยียดหยามดูหมิน่นดูแคลนคนไทยทั้งชาติอย่างไม่ต้องสงสัยและแม้ศักดิ์ศรีของพระบวรศาสนาก็จะพลอยเศร้าหมองถึงความอัปยศอดสูไปด้วยแต่ถ้าชาวพุทธเราพร้อมใจกันใช้วันพระเป็นวันสร้างความดี เช่นพากันไปโบท ร, รักษาศีลฟังธรรมแม้แต่วันพระละสักชั่วโมงเท่านั้นปัญหาที่จะทำให้ชาวโลกเขาดูหมิ่นก็จะหมดไปและเป็นการสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่บ้านเมืองด้วยการหยุดงานวันพระจึงนับว่าเป็นโชคมหาศาลของชาวพุทธแต่ก็เป็นดาบสองคมของคนที่ยังลังเลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองหลวง และในชุมชนใหญ่ๆส่วนชาวชนบทไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงมากข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาเรื่องนี้ตกอยู่กับชนชั้นหัวหน้าครอบครัวจะต้องยืนหลักไว้และอีกคนหนึ่งขอโทษด้วยคือบรรดาพระสมภารเจ้าวัดจะต้องจัดระเบียบงานแสดงทำมัศวนะให้เหมาะสมรัดกุมและให้คนเข้าวัดเขาได้ประโยชน์จริงๆ เระ่เบียบงานวันธรรมสวนะนั้นควรจะมีข้อหนึ่งระบุไว้ด้วยว่าห้ามทำการเรียรายเงินผู้ที่ไปที่วัดวันธรรมสวนะโดยเด็ดขาดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมทำได้อย่างนี้ปลายศตวรรษที่25ก็จะเป็นยุคทองยุคธรรมของชาวพุทธ